เมตตากรุณามมทิตาอุเบกขาลงอุเบกขาีกแล้วโคดชงเจ็ดก็ลงอุเบกขารู้สึกหมอะไรๆก็ชอบไปลงอุเบกขาขนาดวิปัสนาญาณนะในฝ่ายโลกียาก็ลงที่อุเบกขาตัวเบกขาด้วยปัญญาสาคัญที่สุดเลยชื่อหนึ่งเรียกตัตรรมชัตตาเรียกยากนากปพิธรรมจะร้ ท, ท่องได้ไงนะแต่หลวงพ่อรู้อย่างหนึ่ง ท่องไว้สอบเราสอบเสร็จแล้วลืมยกเว้นคำที่ใช้บ่อยๆอ้าวเบอร์ยีิบห้าเออชอบไปกดมันโดยอัตโนมัตินะคะอะไรนะอะไรนะชอบเวลารู้ก็ชอบไปกดมันโดยอัตโนมัติค่ะเก่งแล้วแล้วบางทีมันมากจนทำให้ปวดหัวค่ะใช่สมน้ำหน้าถูกต้องแล้วพอไปกดแล้วก็ไปรู้มันเฉยๆแค่นี้เหรอคะไปกดรู้ว่ากดทาไมกดอ่ะ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 กรุงเทพอะอยู่กรุงเทพค่ะเนอนนท์เป็นสมัครเป็นลูกศิษย์อาจารย์สุรวัตรไปนนทนนท์<า>ที่เลี้ยงลูกอยู่นนะพ่อลูกอ่อนเนอะส้มือไหลพ่อลูกอ่อนนะเรงกระบี่ของอาจารย์สุรวัตรมีกระบวนท่าเดียวนะคือรู้แต่คําว่ารู้นี่นะคือกระบี่ท่าเดียวที่แทงคอหอยทุกครั้งเลยนะแทงเข้าเป้าทุกทีถ้าอะไรเกินจากรู้นี่นะคือลำป้อไปป้อมาแล้วไม่เข้าโจมตี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 จิตเราจะเปลี่ยนเลเยอร์กับผีอยู่คนละระดับกันแล้วผีจะมองไม่เห็นเราแล้วเราก็มองไม่เห็นผีนะแต่แต่ถ้าสมมติมันเป็นนิสัยอันหนึ่งคือว่าพอมันมาปุ๊บหนูก็จะต้องร้องก่อนคือจะต้องเรียกให้คนมาปลุกหนูหรือว่ามาทำอะไรสักอย่างไม่ๆเพราะว่าเรารักตัวเองเกินไปที่หลังใจถึงถึงหน่อยมันทำไมต้องมาถึงตอนตอนตอนที่แบบผีจะอะไรเมว่าขนลายเกินไปว่ะเนเวลาหากินของผี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 มีข่าวไปวัดหลวงปู่คาพันไปวัดหลวงปู่คาพันที่ปลาปากนะครพนมตอนนั้นไปเผาศพหลวงพ่อชาก็นั่งรถไปนะไปนอนพักที่วัดหลวงปู่คำพันนะ่ะคิดผิดห่างกันตั้งหลายชั่วโมงไปถึงตีสองหนะี่งตีสองพระท่านก็ให้ไป น, นอนที่ศาลาใหญ่นอนกำลังนอน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 ไม่ใช่ว่าจะทำสมาธิเข้านิพพานหมดเวลาแล้วออกจากนิพพานไม่ใช่ลงหนังนะวิ่งเข้าวิ่งออกได้ <laughs> ขออนุญาตถามอีกสักข้อนะครับถ้าเกิด น, นิพถานิพายานนะครับความเบื่อหน่ายในทุกในสุขถ้าเกิดยานตัวนี้ขึ้นมานี่ทำให้เราไม่อยากมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับไม่สิไ อ, ออย่างนั้นเป็นโทสะ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 กราวณามัศการหลวงพ่อครับคือผมไม่รู้ว่าจิตผมตื่นหรือยังอะครับอยากรู้ไหมอยากรู้ครับใจถึงไหมถึงครับเมื่อกี้ตื่นตอนนี้ไม่ตื่นอ๋อครับรู้สึกไหมตอนนี้แข็งทื่อไปแล้วใช่ครับไม่อยังสั่นอยู่เลยครับอ่ะนะเนี่ยแล้วเราไปคมมันนะให้รู้ไปนะใจสั่นเรารู้นะเนี่ยใจเราไม่ธรรมดาเราอย่าไปกดมัน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 S <S <S <S แต่หนูก็ไม่ทราบว่าปฏิบัติมาถูกอยงขณะนี้<า>ตื่นหรือหลับขณะนี้ขณะนี้ตื่นหรือขณะนี้หลับละ่ะขณะนี้ตื่นค่ะขณะนี้หลับหลับไปเรียนกับคุณอ布าต่อนะ <S <S 2> <S 2> ยังหลับอยู่น ะ, <S <S ะยังไม่ได้ตื่นเพราะอะไรเพราะใจยังคิดไม่เลิกรู้สึกไหมเรารู้เรื่องที่เราคิดเราไม่ได้รู้กายรู้ใจ